สิกขาบท 7 ว่าด้วยการคัดค้านการแจกจีวรที่ชอบ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 บรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพนทนาว่าฉะไหนแม่เจ้าธุลนันธาจึงคัดค้านการแจก จึงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีถุลนันธา การกระทําอย่างนี้มิได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใส คำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มี ขัดค้านว่าจะแจกจีวรนี้อย่างไรต้องอาบัติปาจิตติบทภาชณีการแจกชอบธรรมภิกษุณีสําคัญว่าชอบธรรมขัดค้าน กาลแจไม่ชอบธรรมภิกษุณีไม่แน่ 1 ภิกษุณี 2 ภิกษุณี 3 ภิกษุณีต้น สิกขาบทที่ 8 ว่าด้วยการให้สมณเจวรบ้างพวกบ้างพวกบ้างพวกมายากล พวกตีกลองบ้างกล่าวว่าพวกว่าแม่เจ้าทุลนันธาเป็นพระหูสูตเป็น บรรดาภิกษุเนผู้มักน้อยพากันตำหนิว่าฉะไหนแม่เจ้าจึงให้สบณะจีวรแก่ชาวบ้านเหล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่าได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบพระผู้มี ภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุเนถูลนันธาให้จริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริง แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบท ที่ว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้ยกเว้นภิกษุและสมณเณรที่ชื่อว่า โยคเวณภิกษุณีสิกขมานาและสามเณรีที่ชื่อคือ 1 ภิกษุณี 2 ภิกษุณี 3 ภิกษุณี สิกขาบทที่ 8 จบ 3 นักวรรค 9 ว่าด้วยการให้รุ่งเรืองสมัยแห่งจีวรการ แม่เจ้าถ้าพวกเราสามารถก็จะครั้นภิกษุณีทั้งหลายจําพรรษาแล้วประชุมกันด้วยประสงค์จะแจกจีวรภิกษุณีทุลนันธาได้กล่าวกับภิกษุณีเหล่า ภิกษุณีถุลนันธาเข้าไปถึงประตูนั้นครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับคนเหล่านั้นดัง ด้วยความหวังในจีวรที่ลื่นลอยเล่าครั้นแล้ว ผ่านไปด้วย แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ ชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาค 1, 1 เดือนท้ายฤดูฝน คำว่าให้รุ่งเรืองสมัยแห่งจีวรการความว่าเมื่อยังไม่ได้กลางกฐิน ความหวังในจีวรที่เลื่อนรอย Forgive สุนิยไม่แน่ใจให้ люб question without a ความหวังในจีวรที่ไม่เลื่อนลอยภิกษุณีสําคัญว่า เรื่องอุบาสกคนหนึ่งสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันวิหารอุทิศถวายสงฆ์ในการฉลองวิหารนั้นอุบาสกนั้น 2 ฝ่ายแต่เวลา ลำดับนั้นอุบาสกนั้นก็ไปหาสมขอการดอกกถินภิกษุทั้งหลาย คือภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึง สงดอกกถินแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ต่อมาอุบาสก ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินอุบาสกตําหนิประณามโพนธนาบรรดาภิกษุณีผู้มาก ลมดับนั้นพระผู้มีพระว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีถุงลนันธาคัดค้านการดอกอถินที่ชอบธรรม <bund es> <frameworks kea |tt|>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 นี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใด การด่อที่ชอบทำภิกษุนิสำคัญว่าชอบทำคralด์ค้างต้องอาบัสปารจิตต variety การด่อที่ชอบทำภิกษุนิไม่แน่ใจคลด์ค้างต้องอาบัสทุกกฎ การด่อที่ลưวๆ การเฎาะที่ไม่ชอบธรรมภิกษุณีสําคัญว่าไม่ชอบธรรมคัดค้าน โตวตวะหมวดว่าเรื่องภิกษุณีนอนร่วมกัน 2 รูปสมัยนั้นพระ คนทั้งหลายเที่ยว พวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้ว่าภิกษุทั้งหลาย 2 รูปนอนบนเตียงเดียว ฉะนั้นภิกษุณี 2 รูปจึงนอนบนเตียงเดียวกันแล้วยกเสขคาบทนี้ขึ้น สิกขาบทวิภังคำว่า ทั้ง 2 รูปลุกขึ้นแล้วกลับนอนอีกต้องอาบัติปาจิตตีย์อานาปัตติวาระภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้อง 1 จบ 4 ตุวตวรรคสิกขาบทที่ 2 เรื่องภิกษุณีนอนร่วมกัน 2 รูปสมัยนั้นพระผู้มีพระภิกษุณี 2 รูปใช้ผ้าผืนเดียวเป็น นอนร่วมกันเหมือนหญิงคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นตําหนิประณามโพนธนาบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตําหนิประณามโพนธนาว่าไฉน ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มี 2 รูปใช้ผ้าเผยเดียวเป็นทั้งผ้าปูนอนและผ้า ในไหนภิกษุณีอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งก็ภิกษุณีเหล่าใด 2 รูปใช้ผ้าผืนเดียว ต้องอาบัสปาจจิตตีเรื่องภิกษุณีนอนร่วมกันสองรูปจบส inher SAY B. วิภัง คำว่าก็. ไดครัวผู้ใดผู้เช่นไดน corridmm How do I feel wol says zetelod position on 화 drugs.อดλο aí nin carrying all these days w son agua ti the way to deliver back the curriculum the hellcube has chosen was a comma cm Essentially being said in front of your body, guided by people that themselves were no spring.А, amb亞, someone แล้วห่มผ้าผืนนั้นแหละต้องอาบัติปาจิตตีบทภาชณีตินอนและ ภิกษุณีสําคัญว่าผ้าผืนเดียวเป็นทั้งผ้าปูนอนและผ้าห่มนอนต้องอาบัติปาจิตติทุกกฎผ้า ฟ้าปูนอนและผ้าหุมนอนต่างผึนกัน พformi ไม่แน่ใจต้องอาปัดทุกกฏพบปูนอนและผ้าหุมนอนต่างผืนกันพริกษุนี Свำคัญว่าผ้าผึนเดียว เป็นทั้งป่าปูนอนและผ้าหπου ไม่ต้องอาปัดอาณปัสติวาระพริกษุนีต่อไปนี้ไม่ต้องอาปัดคือ 1.พริกษุนีแสดงเคลื่อนกำหนดแล้วนอน 2.พ 4 ตุวัตตวัคสิกขาบท 3 ว่าด้วยการจงใจก่อความรําคาญเรื่องภิกษุณีทุลลนันธา แม้พระภัททกาปิลานี ภิกษุณีทูลนันธาถูกความเรศิยาครอบงำคิดว่าทราบมาว่าธรรมดาภิกษุณีผู้สารวนอยู่กับการ ฉะนั้นแม่เจ้าโถลนันทาจึงจงใจขอความไม่ผาสุกแก่รับ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 หรือทําคนที่เริ่มใสอยู่แล้วให้เริ่มใสยิ่ง คำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีมีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้คําว่า ไม่ขอโอกาสจงกรมบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างยกขึ้นแสดงเองบ้าง อุปสัมบันภิกษุณีสําคัญว่าเป็นอนุปสัมบันจงใจขอความไม่ผาสุกต้องอาบัติปาจิตตีย์ทุก <atto. S 1> ภิกษุณีต่อ 1 ภิกษุณีไม่ยืนนั่งนอนยกขึ้นแสดง 2 ภิกษุณี 3 ภิกษุณีต้น 3 จบ 4 ตัววัตตวะ เรื่องภิกษุณีทุลนันธาสมัยนั้น ฉะนั้นแม่เจ้า ภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีทุลนันธาไม่ดูแลช่วยเหลือสหชีวินีผู้เดือดร้อนทั้งไม่ใส่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 สิกขาบทวิภังคำว่าก่อใด คำว่าไม่ดูแลช่วยเหลือคือไม่ดู อานาปัตติวาระภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1 ภิกษุณีผู้ท้อธุระ 4 จบ 4, 4. ตัวอัตตวรรค เรื่องภิกษุณีทุลนันธาสมัยนั้นพระผู้มี ภิกษุณีทุลนันธากล่าวว่าเชิญมาเถิดดิฉันจะให้ลำดับนั้นพระภัททกาปิลานีเดินทางจากเมืองสาเกต ทั้งเธอก็ได้รับสรรเสริญว่ามีคุณสมบัติยิ่งกว่าคนทั้ง ย่อมมักน้อยสันโดษชอบสงัดไม่คลุกคลีจึงโกรธขัดใจฉุดล่าพระ ภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระ พระผู้ว่าภิกษุทั้งหลายฉะนั้นภิกษุณีทุลนันธาให้ที่พักแก่ ภิกษุณีใดให้ที่พรากแก่ภิกษุณีจบสิกขาบทวิภังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่น นี้ที่พระผู้มี จับที่หน้าห้องและฉุดลากออกข้างนอกต้อง ให้ที่พักแล้วโกรธไม่ hey ขนหรือใช้ผู้อื่นให้ขนบริขารของเธอต้องอาบัติทุกกฎ อนุปัสสบันภิกษุณีสําคัญว่าเป็นอุปัสสบันต้องอาบัติทุกกฎอนุปัสสบันภิกษุณีไม่แน่ใจต้องคือ 1 ภิกษุณีฉุดลากหรือ 2 ภิกษุณีขนหรือผู้อื่นให้ขนบริขารของภิกษุณีไม่มีความละอายนั้น 3 ภิกษุณีฉุดลากหรือใช้ผู้อื่นให้ฉุดลากภิกษุณีวิคคนจริต 4 ภิกษุณีขนหรือใช้ผู้อื่นขนบริขารของภิกษุณีวิคคนจริตนั้น 5 ภิกษุณีฉุดลากหรือใช้ผู้อื่นให้ฉุดลากภิกษุณี ภิกษุณีขนหรือใช้ผู้อื่นให้ขนบริขาร 10 ภิกษุณีต้น 5 จบ